บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเรื่องของจิตที่ประกอบด้วยโมหะซึ่งได้แสดงมาแล้วโดยลำดับนั่นอาการของโมหะที่เกิดขึ้นครอบงำจิตใจของบุคคลนอกจากจะปรากฏในรูปของวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัย ไม่แน่ใจในเรื่องแปประการคือความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องประธรรมเรื่องพระสงฆ์เรื่องใจศีลธรรเรื่องอดีตเรื่องอนาคตทั้งอดีตอนาคตได้กฎของปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจัยการยังปรากฏตัวครอบงาใจของบุคคลในลักษณะที่เป็นสนิมใจหรือมลทินใจ การกรอนจิตใจของบุคคลให้เปลี่ยนแปลงไปตามอาการของโมหะในลักษณะนั้นการปรากฏแนวนี้ท่านเรียกว่าอุทจักกุกุจคือการฟุ้งสั้นสัดสายไปของจิตใจความฟุ้งสั้นสัดสายไปของจิตใจนั้นถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าสั้นสายเปในเรื่องอะไรก็ตอบได้ว่าเป็นการสั้นสายไปในเรื่อง อารมณ์ทั้ง6กนั่นเองคือเรื่องของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของเย็นร้อนอ่อนแข็งและของอารมณ์ต่างๆแต่เป็นอาการสายที่ไม่มีทิศทางแน่นอนลงไปว่าเป็นเรื่องกำหนัดรักใคร ย, ยินดีหรือเรื่องไม่ชอบหรือเรื่องชอบหรือเรื่องยินดีเป็นต้นแต่ว่าเป็นอาการสับสายซับสายในลักษณ ะ, ะที่สับสน เหมือนกับควันไฟที่ขึ้นไปแล้วถูกลมหมุนพัดพาไปฉะนั้นอาการของจิตในลักษณะนี้ถ้าอยู่ในจุดหนึ่งก็จะเป็นเพียงความฟุง้งสั้นําความฟุ้งสั้นสั้สายไปของจิตเ่านัน้แต่ถ้ า, ากว่าปริมาณของความฟุ้งสั้นสูงขึ้นสภาพจิตจะเปลี่ยนแปลงไปคือจะมีโทสะเจือมากกิ่งขึ้นเป็นความรู้สึกหงุดหงิด รำคาญไม่พอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่พอใจในสภาพจิตของตนในขณะนั้นๆกลายเป็นกุกกุจจะคือรำคาญอาการรำคาญนั้นไม่ใช่เป็นอาการของโมหะแต่เป็นอาการของโทสะแต่ก็เป็นโทสะที่ยังอ่อนอยู่ต่ากว่าอาการรำคาญนั้นมีปริมาณสูงขึ้นโมหะก็สูงขึ้นตาม ที่จะสูงมาในแนวตรงไม่ใช่แนวฟุ้งซ่านคือจะเป็นตัวสนับสนุนความฟุ้งซ่านเหล่านั้นความรำคาญเหล่านั้นอาจจะออกมาเป็นความงุดหงิดความงุนง่านจนถึงกับความโกรธซึ่งก็หมายความว่าถ้าเปลี่ยนไปเช่นนั้นก็เป็นอีกคู่หนึ่งคือจิตที่มีโทสะหรือไม่มีโทสะตั้งแต่การติดตามดูจิตใจของตนจึงเป็นเรื่องที่ จะต้องตามกันทันเพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นเป็นไปได้เร็วที่พระพุทธเจ้าทรงชา้คาว่าขณะเป็นไปเร็วมากบางครั้งบางคราวมีความเผลอเรอเกิดขึ้นถึงชั่ววูบหนึ่งแต่นั่นเองจิตก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วเช่นในช่วงหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานซึ่งอาจจะสงบอยู่ด้วยอารมณ์อะไรก็ได้เป็นสงบอยู่โดยพุทโธ สงบโดยลมหายใจเข้าออกสงบโดยการนับหรือสงบโดยการตั้งสติระลึกอยู่ที่จุดซึ่งลมกระทบก็ตามหรือแม้แต่สงบในอารมณ์กรรมาฐานเราอึนในขณะที่บุคคลคิดว่าใจสงบนั้นบางครั้งอาจจะมีอาการของความฟุ้งเกิดขึ้นจิตก็จะหักออกไปในเรื่องหนึ่งแต่เพราะสติมีกำลังแก่กล้าขึ้นก็ก็ตกจิตกลับมาได้ แต่ถ้าสติอ่อนก็จะออกไปอยู่ในอารมณ์เราอื่นเป็นเวลานานแต่บางครั้งบางคราวสติเองก็ระลึกไม่ได้เพราะเป็นการแว บ, บไปเพียงชั่วขณะเดียวซึ่งลักษณะเหล่านี้ทํานองเดียวกับคคบุคคลขับรถซึ่งก็ตรงอยู่ดีๆอาจจะเฉล็บไปนิดหนึ่งแล้วก็กลับมาสู่สทางได้แต่การเฉล็บเหล่านั้นถ้าหากว่าขาดสติไปเพียงขณะหนึ่งรถอาจจะตกลงข้างถนนก็ได้ แากการที่ดึงกลับมาได้เพราะวิตสติของบุคคลนั้นเกิดทันกับอาการฉลับของรถที่ออกไปการดูความเปลี่ยนแปลงภายในจิตของผู้ปฏิบัติกรรมฐานก็มีลักษณะเช่นนั้นทรงสอนวิเคราะห์ตรวจสอบว่ามีโมหะหรือไม่มีโมหะนั้นเป็นตัวหลักอาการของโมหะที่เป็นความอยากของจิตนั้นเกิดขึ้นในรูปของ ความไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้บาปรู้บุญคุณโทษเป็นต้นซึ่งตามปกติแล้วชั้นของผู้ปฏิบัติกรรมฐานจะต้องผ่านความรู้สึกในลักษณะนี้มาแล้วจนสามารถแยกแยะได้ว่าการปฏิบัติกรรมฐานเป็นอนุบายวิธีที่จะทําใจของตนให้สงบจากนิวรณ์ธรรมนําไปสู่ความสะอาดความประณีตแห่งจิตใจจึงจะเลือกเดินทางสายนี้ ดังนั้นโมหะในช่วงแรกโมหะที่หยาบจาบจึงมักไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่บุคคลยังประมาทไม่ได้เพราะการปรากฏตัวของความไม่รู้เหตุรูผ้ผล น, นั้นบางครั้งแก่ออกมาในรูปแฝงเป็นหลักของวิชาการหรือทฤษฎีต่างๆที่ทางศาสนาใชาออ้คอทิฐิี เมื่อบุคคลไปเห็นตามคล้อยตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งมายุติด้วยเหตุผลและความจริงแต่เพราะอย่างไม่ได้ลึกนึกไม่ได้ไกลคาดหมายถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ได้เป็นความรู้ที่จากัดจำเขีย่ยเหมือนปริมาณของแสงสว่างที่จุดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งก็กระจัดความมืดในจุดนั้นได้แต่มองในจุดซึ่งยังมีความมืดปกคลุมอยู่ไม่เห็น ก็อาจจะปักใจฝังใจลงไปแล้วก็ยึดมั่นอยู่ในความคิดความเห็นเหล่านั้นอาการเหล่านี้ก็เป็นอาการของโมหะชนิดหนึ่งซึ่งจะพบว่าลักษณะของโมหะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นบางครั้งบางคราวก็แยกไม่ออกเพราะอะไรเพราะมีความละเมียดละใหม่มากจนยากแก่การแยกให้ชัดเจนลงไปว่าเป็นอะไรกันแน่ ที่เป็นเช่นี้เพราะปริมาณของปัญญาซึ่งเป็นประดุจแสงสว่างนั้นมีกำลังน้อยแต่ถ้าหากว่าบุคคลเสริมในส่วนของสติปัญญาขึ้นก็จะเพ่งพินิษ์พิจนารณาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาการของโมหะแก่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกับผู้ปฏิบัติระดับสูงขึ้นไปเช่นระดับที่ได้ฌานแล้วอย่างอดีตอาจารย์ของพระพุเทธเจ้า คือท่านอาราดาบทการามโคตอุตกระดาบทรามุบทซึ่งดูแล้วน่าจะไม่มีโมหะครอบกำเพราะผ่านการประพฤติปฏิบัติชั้นสมาธิมาโดยลาดับแต่ว่าท่านก็หลงหลงในรูปของความเห็นผิดโดยเข้าใจว่านี่คือจุดสุดท้ายจุดสูงสุดแห่งการประพฤติปฏิบัติแนวจึงกำหนดว่านี้แหละคือนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการประพฤติปฏิบัติ เป็นการมองวัตถุในแสงสว่างที่จำกัดแต่ก็ตัดตอนเอาเพียงเท่านั้นว่าหมดสิ้นแล้วทั้งๆ ท, ที่มีวัตถุเหล่าอื่นอีกเป็นนั้นมากที่ยังถูกความมืดปิดบังเอาไว้เมื่อท่านแดกแยกไมบอกท่านก็ยุดหยุดก็กลายเป็นความยึดถือหรือเป็นทิฏฐิในเรื่องนั้นๆ น, น, นี่ก็เป็นอาการของโมหะลักษณะของวิจิกิสาคือความเครือบแครงสงสยัย กับอุทจักขุกุจจะนั่นในชั้นของความละเอียดแล้วอุทจักุกุจจะมีความละเอียดมากทนี้เป็นเพราะอะไรเพราะท่านที่ศึกษาปฏิบัติทางธรรมมาจะพบว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียงสังโยชน์ที่พระญาบุคคลธนละได้นั้นทรงเรียงไว้เป็นลำดับลาดับคือจากหยาบไปหาละเอียดตัวหยาบนั้นเป็นอาการของโมหะ ซึ่งปรากฏภายในจิตใจของบุคคลแต่เป็นโมหะที่หยากคือความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนความเคลือบแรลงสงสัยไม่แน่ใจการถือมั่นโดยข้อปฏิบัติด้วยศีลด้วยวัดที่ถือปฏิบัติมาแล้วก็กำหนดหมายลงไปเลยว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องนี้คือล้วนอาการของโมหะทั้งหมดจึงจะเห็นได้ว่าวิจิการาเป็นโมหะชนิดยา บางขณะบางเวลาบุคคลสามารถแก้ตัววิจิกิจชาไปได้ด้วยข้อปฏิบัติธรรมดาสามัญที่เรียกว่าโยนิโสมนัสิการคือการกระทำไว้ในใจของตนโดยอุบาลแยบคายมีความคิดที่เป็นระบบมีก ฎ, ม, กฎมีเกณฑ์ที่จะวิเคราะห์ตัดสิน ส, สิ่งเหล่านั้นซึ่งเกิดขึ้นโดยอาศัยหลักการศึกษาหลักการสอบถามหลักการพิจารณาของตนเอง หรือบางครั้งบางคราวกาหนดที่ทางอะไรไม่ได้สติปัญญาของตนยังไม่พร้อมที่จะวินิจฉัยบุคคลก็ไปจับหลักตถาคตะโพสิทธาว่าข้อนี้พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงไว้อย่างนั้นพระองค์ทรงรู้เห็นเป็นพระอรหันตจากการสัจสรู้ของพระองค์นั้นพระองค์ก็แสดงไว้เช่นนี้เราเองไม่เป็นพระอรหันต์เราเองไม่ได้สัจสรู้ท่านผู้สัจสรู้เป็นพระอรหันต์แสดงได้อย่างไรก็เชื่อถือประพฤติปฏิบัติตามอย่างนั้น ด้วยศรัทธาที่บังเกิดมั่นขึ้นภายในจิตใจนั่นเองก็ประจัดวิจิกิจฉาลงไปได้ในชั้นหนึ่งแต่กุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านและความรำคาญนนัในด้านของความรำคาญก็อาจจะหายไปในช่วงหนึ่งแต่ความฟุ้งซ่านนั้นหายไปได้ยากม า, ากเพราะฉะนั้นในขณะที่วิจิกิจฉาแกอยู่ข้อที่สองของสังยต แต่กุกุจจะเกิดไปอยู่ในข้อที่9ของสังโยชน์ซึงหมายความว่าแม้แต่พระอนาคามีาาม ي, เป็นพระยะบุคคลระดับสามก็ยังละไม่ได้เพราะวิจิกิจฉะไอ้กุกุจจะบางอย่างคือความฟุ้งซ่านบางอย่างนั้นเป็นความฟุ้งไปในกุศลธรรมแต่จะฟุ้งไปในเรื่องอะไรก็ตามในชั้นประณีต ก, ก็คือความฟุ้งเมื่อยังฟุ้งอยู่ความส ง, งบเต็มที่ก็ยังไม่เกิดขึ้น ใจยังแกว้งยังสับสนกันดูแต่ว่าในชั้นที่9นั้นไม่มีกุกุจจะคือไม่มีความรําคาญแต่นั้นเองเป็นความฟุ้งไปในด้านของกุศลและธรรมเป็นหลักส่วนความหมงุดหงิดรําคาญนั้นได้ละได้ไปตั้งแต่ต้นหรือตั้งแต่เป็นปรนาคามีแล้วตอนนั้นเมื่อบุผู้บุคคลผู้ปฏิบัติได้วิเคราะห์ตรวจสอบดูจิตในแต่ละขณะจะเห็นว่ายังมี วิจิกิจชาเกิดขึ้นหรือมีกุกุจะเกิดขึ้นก็ทรงสอนให้บุคคลเปลื่องจิตเราจะถามว่าเปลื่องจากอะไรก็คือเปลื่องวิจิกิจชาความสงสัยความฟุ้งซ่านให้ออกไปจากจิตแต่การที่จะเปลื่องหรือละหรือขัดเกลอกิเลสเหล่านี้ออกไปจากจิตได้บุคคลจะต้องมองเห็นโดยความเป็นโทษ อะไรก็ตามถ้ายังไม่เห็นโทษประจักษ์ชัดใจจะไม่คลายจากความยึดติดในสิ่งนั้นไม่ว่าในเรื่องอะไรก็ตามเช่นบุคคลเป็นนักเลงดื่มสุราถ้ายังเห็นโทษของสุราไม่ชัดก็จะเลิกดื่มสุราไม่ได้สูบบุหรี่ถ้าเห็นโทษของบุหรี่ไม่ชัดก็ยังเลิกบุหรี่ไม่ได้แต่วันใดที่เห็นโทษเดียวนั้นประจักษ์แก่ใจของตัวเองใครจะชวนหรือไม่ชวนใครจะแนะนําหรือไม่แนะนําบุคคลเดียวนั้นก็จะเลิกได้ ปัากุศลทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มองเห็นโดยความเป็นโทษให้ประดักแก่ใจของตนเองแต่บางครั้งบางคราวนั้นโทษไม่ประจักเพราะเป็นนามธรรมเกินไปก็ทรงแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ของบุคคลผู้นั้นโดยเช่เห็นว่าสภาพจิตที่ถูกความฟุ้งซ่านครอบงำอยู่นั้นเหมือนกับบุคคลตกเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำ ถูกคุมขั ง, ขงอยู่ในเรือนจำสูญเสียความเป็นอิสระไม่สามารถจะทำอะไรตามใจปรารถนาได้คนติดคุกนั้นเป็นโธษที่ปรากฏแกสายตาของบุคคลทั้งหลายเมื่อเริ่มเรียนจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมมีความเคลื่อนไหวได้เช่นนี้ก็มองวิเคราะห์ดูสภาพจิตของตนว่ายามใดก็ตามที่จิตแกมีความพู้งสัน้นจนถึงกับมีความรำคาญปรากฏดูนั้น เราจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวต้องการจะไหว้พระสวดมนต์ก็ทําไม่ได้ปากอาจจะว่าแต่ใจคิดไปถึงเรื่องอื่นต้องการจะนอนก็นอนไม่หลับเพราะใจฟุ้งสั้นไปในอารมณ์ต่างๆต้องการจะทํางานอะไรก็ทําเอาดีไม่ได้จิตขึ้นๆลงๆยิ่งมาปฏิบัติกรรมฐานด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่บุคคลมองไปมองมาจะเห็นว่าติดคุกทุกจุดของอารมณ์ การที่ปล่อยให้จิตติดคุกอยู่ในลักษณะนี้ทําให้บุคคลดิ้นรนเพื่อแสวงหาความเป็นอิสระคือหลุดพ้นจากความเป็นนักโทษทางใจและในที่สุดก็จะเกิดความเพียรพยายามทําใจของตนให้สงบอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่จะทําใจให้สงบนั้นถ้าพิจารณาถึงอารมณ์ของกรรมฐานแล้วพระพุทธเจ้าจะสอนให้บุคคลทําใจให้สงบ ในเรื่องที่เป็นกุศลกับเรื่องที่เป็นกลางๆเป็นหลักแต่ถ้าหากว่าชั้นของการวิเคราะห์ตรวจสอบจิตอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นอกุศลก็ได้เช่นในกรณีของกุกุจะนั่นเองอุตจักกุกุจะคือความฟุ้งซ่านและความรำคาญ น, นั่นเองพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้วิเคราะห์เจาะลึกลงไปในตัวอุตจกุกุจะที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ดูหน้าตาของแกที่เกิดแล้วครอบงำใจอยู่ว่าเป็นอย่างไรเมื่อประจากแก่ใจแล้ววิเคราะห์ตรวจสอบลงไปว่าอุจจารกุกจาร์นั้นแกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอะไรเป็นเหตุให้แกเกิดขึ้นมาบุคคลก็จะมองเห็นตัวเหตุว่าตัวเหตุด้วยส่วนกว้างที่สุดคือใจไม่เนิ่งใจไม่ยอมสงบอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งการที่จะแก้ไขก็ต้องพยายามแก้ไข ให้จิตมีที่เกาะที่ยึดเหนี่ยวเอาไว้เมื่อจิตมีที่เกาะที่ยึดเหนี่ยวเอาไว้ได้ความฟุ้งก็จะส ง, งบเพราะเป็นสภาวะที่ขัดแย้งกันคือถ้ามีที่เกาะอยู่ใจส ง, งบอยู่กับสิ่งที่ตนเกาะไว้ความฟุ้งก็จะหายไปแต่เมื่อความฟุ้งปรากฏแสดงว่าจิตไม่นียงเป็นลักษณะตรงกันข้ามระหว่าง mm hmm. เช่นเดียวกับความมืดกับแสงสว่างังกล่าวนั้น แ, แม้แต่ตัววิจิตรศัาด ก็ทรงเอามาเป็นทรงสอนให้เอาเป็นอารมณ์ได้แต่ต้องใช้ปฏิบัติในแนวของการวิเคราะห์สืบสาวถึงต้นข้าวของเรื่องเหล่านั้นไม่ใช่ไปเพ่งพินิจดูเฉยๆถ้าไปเพ่งพินิจดูเฉยๆแล้วมันก็แก้ไม่ได้แต่เมื่อดูมองเห็นว่าเป็นโทษก็แก้ออกไปที่้องใช้คาว่าเปรื่องกิตหรือขัดเกลาจิตใจจ า, จากอา ร, รมณ์เหล่านั้นในด้านของวิจิกริจา ซึ่งเป็นตัวการที่สำคัญเพราะว่าจุดเบื้องต้นมันเหมือนกับการเลี้ยวของผู้ที่เดินทางแลถึงทางแยกว่าจะเลี้ยวไปทางไหนวิธิกิชาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นบางครั้งก็ทาให้สูญเสียโอกาสไปเป็นอันมากครณี้ยกตัวอย่างอุปการชีวกที่พบพระพุทธเจ้าเมื่อตอนเสด็จไปโปรดพระปัญญกวีในตอนแรกท่านเกิดความเชื่อมั่นว่า พระพุทธเจ้าคงเป็นพระอรหันต์รูปใดรูปหนึ่งเข้าไปกราบทูลถามว่าพระองค์เป็นใครเป็นลูกศิษย์ของใครชอบใจธรรมของใครใครเป็นาศาสดาของพระองค์พอพระพุทธเจ้าทรงสแสดงสถานะว่าเป็นพระองค์เป็นสยามปูคือผู้สัตรูดีสัตรูชอบด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูเป็นาศาสดาในการศัสรูนั่นตั้งหลักไม่ได้ ในความเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระหันแต่ก่อนก็เกิดถูกโยกครอนด้วยสถานะที่สูงกว่าที่ท่านคาดหมายไว้วตแต่ต้นจากความสงสัยเครือบแคลงในที่นี้เลยเกิดไม่แน่ใจหลีกทางไปจากพระพุทธเจ้าสูญเสียเวลาไปทั้ง40สบกว่าปีต้องทุกข์ยากลำบากทรมานอยู่ในฐานะในอาชีพของตนเวลาถึงทุกข์สุดขีดจึงนึก ตรงใจได้ว่าองค์นี้เป็นพระพุทธเจ้าทําไมจึงตรงใจได้เพราะไปได้ข่าวคราวเล่าหรือเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันมันเป็นการยกครองความเครือบแคลงสงสัยที่เคยมีอยู่ให้จิตกลับเข้าสู่ภาวะเดิมคือยอมว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระหันทึ่งมีอยู่ก่อนแล้วความคิดเหล่านี้การยอมรับเหล่านี้มีอยู่ภายในจิตใจท่านก่อนแล้ว เมื่อข่าวคราวเรื่องราวต่างๆของพระพุทธเจ้าแพร่หลายมา ก, กิ่งขึ้นก็ยอมรับในสถานะที่เป็นพระหันตสามมาสัมพุท ธ, ธะแล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้นความสงสัยเครือบแคลงบางครั้งบางคราวเป็นการสูญเสียโอกาสทําลายโอกาสของบุคคลพระพเจ้าทรงแสดงออกมาในรูปธรรมให้บุคคลเห็นว่าเป็นโทษก็เป็นทางที่เสือเขาขวางอยู่บ้างเป็นทางที่มีอันตรายอยู่ข้างหน้าบ้าง เป็นทางที่ธุระกันดานเหมือนกับการหลงเข้าไปในดินแดนธุระกันดานบ้างภาพนี้มองแล้วเป็นรูปธรรมเห็นได้เมื่อน้อมนึกขมาดูที่จิตใจของตนเพราะความเครือแคลงสงสัยที่บังเกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามจิตจะหยุดชิงักอาการทางกายก็จะหยุดชิงักอาการทางวาจาก็จะหยุดชงักเพราะความชึงักงานทางจิตเพียงวิจิกรจชาังเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่ต้องอะไรบุคคลตักอาหารแคาใส่ปากเกิดวิจิกิจเช้าว่าเป็นอะไรกินได้หรือกินไม่ได้มือก็หยุดอยู่แค่นั้นเองบางทีปากปากก็อ้าค้างไว้ท่านั้นตราบใดที่ยังตัดใจลงไปไม่ได้ว่ารับประทานได้หรือไม่กิจการที่เกี่ยวกับรับประทานอาหารก็หยุดอยู่ในช่วงนี้นีน่จะเห็นว่าจิตประสบความวิบากเรือเกินเดือดร้อนเรือเกินสับสนวุ่นวายไปหมด แล้วก็มองให้เห็นภาพอันนี้ชัดเจนจึงขึ้นมาวิเคราะห์ดูจิตที่ถูกวิจิตริชก็ชครอบงำก็จะเห็นโทษว่าเป็นโทษชัดเจนมากยิ่งขึ้ น, นในที่สุดความเพียรพยายามพิจารกก็เกิดขึ้นซึ่งการพินิจพิจารณานั้นทรงสอนในแนวพิจารณาสืบสาวถึงต้นข่าวได้โดยอาศัยวิจิกิจฌะนั้นเองเป็นตัวเป็นสื่อในการสร้างความสงบจากวิจิกิจฌะเมื่อเห็นว่าวิจิกิจฌะเป็นโทษ ก็มองสืบสาวไปถึงว่าวิจิกจรศิลป์นี่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็จะเข้าใจได้ในทันทีว่าเกิดขึ้นจากการไม่พินิจพิจารณาให้แยบคายให้ลึกซึ้งซะก่อนอย่างในเรื่องอะไรไม่ได้ลึกนึกคาดหมายไม่ได้ไกลขยายขอบขลายความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นอยู่ในวงที่จำกัดจำเขีย่ยในที่สุดก็ยังมีความคลื้แค่งสงสัยอยู่เมื่อรู้ถึงที่มาอย่างนี้ ก็ะจะสืบสาวต่อไปว่าปิจิชารที่เกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรก็รู้ได้อย่างชัดเจนว่าต้องแก้ไขด้วยตรงกันข้ามคือทุกอย่างที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสไม่ว่าจะผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือเก็บไว้ภายในใจก็าตามจะต้องมีการกลั่นกรองการเพ่งพินิจพิจารณาโดยอุบายวิธีที่มีหลักเกณฑ์เมื่อใช้หลักเหล่านี้ ก็จะกระจัดความเครือบแคลงสงสัยลงไปได้และในชั้นของการดํารงชีวิตนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสดแสดงแนวในการปฏิบัติเอาไว้เพื่อให้บุคคลจะต้องไปมัวแก้ ว, วิจิกิจฉาเฉพาะนั่งกรรมฐานเพราะเวลานั่งกรรมฐานนั้นมีอยู่น้อยเวลาในชีวิตก็มีวิจิกิจฉาให้แก้มีอุตจักขุกุจักให้แ ก, ม ก, แก้มีโมหะมีโลภะมีโทสะให้แก้อยู่ตลอด เราทำอย่างไรในชีวิตประจําวันจึงจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ในกรณีของวิจิตรฉากับอุตจั ก, กุจจานั้นเนื่องจากเป็นอยู่ในกลุ่มของโมหะวิธีที่จะแก้ไขก็คือแก้ไขด้วยกลุ่มด้วยเสริมสร้างกลุ่มของปัญญาขึ้นมาได้แก่การพยายามศึกษาหาความรู้ความเข้าใจจากแหล่งความรู้ต่างๆคือการศึกษาในแนวนี้ที่ทรงแสดงว่าเป็นโพสูตรคือศึกษาสับส์ักฟังมาก เราจะมองในแง่ของหัวใจประวิสุจิพุลิเรื่องอะไรที่ได้ฟังได้อ่านมาก็พยายามอ่านพยายามฟังในเรื่องเหล่านั้นฟังไปแล้วอ่านไปแล้วต้องคิดคิดไม่ออกอย่าปล่อยไว้ข้างภายในใจพราะถ้ค้างจะมีความสงสยัยสงสัยมากจะฟุง้งฟุ้งก็จะสงสยัยในที่สุดจิตก็จะวิ่งอยู่ระหว่างโมหะกับโมหะสองอาการคือฟุ้งซ่านกับสงสยัยจะต้องแก้ไขในชีวิตด้วยการถาม การสอบถามไม่แน่ใจว่าจะทําได้ก็จดเอาไว้โดยระบบการศึกษาในแนวนี้บุคคลจะค่อยๆบรรเทาความมืดด้วยโมหะให้เจือจางลงไปโดยลําดับดังนั้นการเสริมสร้างปัญญาในแนวนี้หรือแนวอื่นจะเป็นด้วยการสอบถามก็ตามการอภะเฉียบเคียงจากเรื่องราวต่างๆการวิเคราะห์จากสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ก็ตาม มนมีอาการเหมือนแสงสว่างหรือเหมือนกับการจุดเทียนทีละอ่านเข้าไว้ในที่นั้นๆแกก็จะกระจัดความมืดไปโดยลาดับจุดขึ้นครั้งหนึ่งก็กระจัดความมืดดนครั้งหนึ่งตีครั้งหนึ่งก็กระจัดความมืดในครั้งหนึ่ ง, ง, ง, ง, มม ง, งแต่การกรจัดโมหะในแนวนี้จะต้องผ่านทานถึงการวิเคราะห์ดังกล่าวแล้วเพราะบางครั้งบางคราวดูไม่เคอยออกมันเป็นวิจิตรฉาเป็นรูทะจักกุกุจักหรือไม่ แต่เมื่อมีการวิเคราะห์สวจสอบสภาพจิตดูจิตได้อย่างชัดเจนเห็นชัดแล้วก็จะการแก้ไขเรื่องอนั้นคุณธรรมที่จะนําให้บุคคลสามารถขจัดปิจิกริษากับอุจจจะกุกุจจะได้คือนอกจากการศึกษาสดับสอบฟังมากแล้วจะต้องมีความชํานิชํานาญในกระบวนการทางจิตในกฎเกณฑ์ ร, ระเบียบแบบแผนต่างๆแล้วกเรายึ่งมีความํานาญในเรื่องอะไรมากความสงสัยในเรื่องนั้นจะน้อยลง พอรอบรู้หมดทุกอย่างก็ขจัดความสงสัยทุกจุดในเรื่องเหล่านั้นได้แต่ก็มีเรื่องเหล่าอื่นทึ่อาจจะสงสัยต่อไปก็แก้กันไปโดยลําดับเลยจะต้องเข้าหาใกล้ชิตกับท่านที่เป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตมีความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆตามปกติในชีวิตประจําวันจะมีการควบคุมความคิดอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่ปล่อยให้ความฟุ้งซ่านทัสายไปของจิตเกิดขึ้น จนบางครั้งบางคราวเลื่อนลอยสร้างวิมานอากาศฝันค้า ง, างเป็นต้นแต่จะให้อยู่ด้วยอารมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้แก่จิตใจในชีวิตประจำวันเพราะว่ากันตามความเป็นจริงการกระทําทุกอย่างนั้น <c oughs> ก็เป็นมักเป็นผลกันอยู่ในแต่ละขณะเมื่อบุคคลสร้างเหตุคือมรรคที่ดีผลก็จะเกิดขึ้นในทางที่ดีผลนั้นก็จะถูกเก็บไว้ภายในจิตใจของบุคคลนั้นๆ เราจะเดินไปอีกขั้นหนึ่งโอกาสที่จะเกิดความสงบความดีเพิ่มขึ้นก็ทำได้ง่ายดะงนั้นในชีวิตประจำวันจึงมีลักษณะเหมือนสนามรำลองในการฝึกกีฬาต่างๆถ้าฝึกได้ในสนามหนึ่งแล้วจะไปเล่นในสนามอื่นก็ทำได้เล่นได้จิต ใ, ใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ในชีวิตประจาวันของบุคคลบุคคลพยายามแก้โมหะแก้ความสงสยัยแก้ความฟุ้งซ่านหยุดสม่ามเสมอ เป็นการเสริมความแข็งแกร่งในด้านจิตใจความมั่นคงในด้านจิตใจความสว่างในด้านจิตใจให้สูงขึ้นพอประสบกับอารมณ์ที่จะต้องแก้ไขก็สามารถแก้ไขได้เพราะมีกําลังหนุนอยู่แล้วเป็นนั้นมากในชีวิตประจําวันของบุคคลพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนมาสรุปไว้ทั้งสองทุกแข่งในการแก้อารมณ์ว่าจะต้องคบหาเกี่ยวข้องสมาคมคนดีคือมีกัญยาณมิตร หมายถึงการปรับสิ่งแวดล้อมของตนจะเป็นคนหรือเป็นสิ่งก็สิ่งต่างๆก็ตามให้มีลักษณะเกื้อกูลแก่ความสงบแห่งจิตไม่มีลักษณะเสริมสร้างให้เกิดโมหะหรือเพิ่มพูนโมหะภายในจิตใจของตนเวลาจะเกี่ยวข้องสนทนากับใครก็ตามใช้คำว่าสปายกถะคือสนทนาสิ่งที่ไม่มีปัญหา ไม่ก่อให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยไม่ก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านไม่ก่อให้เกิดความอาฆาตพยาบาทหรือไม่ก่อให้เกิดความกำหนัดรัะคายยินดีะระองหลงในอารมณ์ต่างๆถ้ามีการสนทนากันในลักษณะนี้เป็นการแสดงว่าในชีวิตประจําวันนั้นสนิมใจหรือพวกของสนิมใจเข้ามาสู่ไตน้อยธรรมะก็เพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจความมั่นคงภายในจิตก็จะติดตามมา ในที่สุดเวลาปฏิบัติจะวิเคราะห์เจาะตรวจสอบสภาพจิตแต่ลักษณะดได้อย่างชัดเจนเมื่อมีโมหะก็เปรื่องโมหะออกจากจิตเมื่อจิตไม่มีโมหะคือมีปัญญามีความสงบจูก็กจะควบคุมรักษาจิตของตนไว้กับความสงบเป็นการเพิ่มพูนคุณภาพของจิตตนให้สูงขึ้นโดยลำดับตามสมควรแก่การปฏริบัติต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป